มีคุณเศษในป่าในประเทศไทยในราวปศทั้งก็ในร า, นราวปศทั้งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดลกตวจทิ่ซึ่งเป็นรองทุกคมแผนที่ทหารบกเบ้ามาหาหลงพ่อและได้เล่าคุณเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กนีกประสบการณ์มาในป่าให้ท่านฟังว่าวัวท่านเอเกหลงพ่อเียบจิต ได้ออกไปสำรวจแผนที่ในป่าและมีประสบการณ์ต่างๆเป็นปัญหาดนทบทกลับพระผู้มีคุณวิเศษและได้ขอศึกษาต่อท่านต่อท่านได้แนะนํามาให้ศึกษาจากหลวงพ่อซึ่งท่านได้แนะว่าแม้ท่านเองท่านก็ได้ศึกษาจากหพ่อโดยทางญาญนเหมือนกัน พร้อมกันนั้นได้เล่าประวัติต่างๆของข้อตั้งแต่สมจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันในขณะนั้นให้คุณหลวงเล็จเล็จจิตกัคงคหลวงให้ได้เล็จิตเข้าใจว่าเป็นวตดปางน้ำในจังหวัดสมุทรปราการงรามในสมุทรสารครก็ได้ไสำรวงหาแต่ก็ได้รับความผิดหวังมาเพราะม่ได้พบหงพ่อผู้ซึ่ง มีคุณลักษณะบางที่พระผู้พิเศษในป่าไต้เล่าให้ฟังนั้นหลังจากที่หลวสพ่อโสกิจได้มาอยู่เวรหลังจากพพระผู้พิเศษนั้นประมาณสองสามปีนมาอยู่เวรรักษาการที่วัดบังน้ำเพราะในขณะนั้นผมเแผนี่ธานบกตบได้ก็ยกมาขอเส่ ที่วัดตักนาำเป็นที่สำหรับก็ได้มาพบหลวงพ่อโดยตนเองมีคุณลักษณะและชื่อวัดชื่ อ, อหลวงพ่อตรงกันกับที่พระผู้เศษเล่าให้ฟังึได้เข้าไปกวราบเรีนท่านอั่งที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นท้าเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ประสบมาแต่รายเอียดผมจําไม่ได้เรื่องนี้ต้องถามหลวที่เลนสงกร ด, ดอเอง หลังจากที่หลวงพ่อแม่ท่านเกิด้เล่าเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วแักสองวันผมได้ เ, นนเรียนถามพ่อว่าพระผู้วิเศษที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรท่านจึงเล่าให้ฟังว่าในป่าลึกของประเทศไทยหลาวแห่งเป็นต้นว่าที่ดงพยาวบุไม่มีพระผู้แขวงบุญ หวังความสำเร็จต่างๆในคืนดวงไปเพื่อแสวงหาขนาการทรียนศึกษาคุณเสดในพระศาสนาแปลว่าต้องไปฝึกหน่งประลาดซึ่งให้คุณเสดมืนกันแปลไม่ได้เป็นคุณเสดในพระศาสนาเป็นคุณเสดทางใาพระศาสนาไปข้าวานั้นปางคนต่างไปมีทั้งพระพิกรุระ ม, มเนอุปาสกอุบาทิกาเมื่อไปแล้วก็จะไปพบท่าน แห่งนีง้ที่ทํำแห่งนั้นน่ะที่ผนังของถ้ำมีเทวรูปบางกุธรูปบางติดผนังถ้ำและเทวรูปและกุธรูปนั้นก็สามารถจะสั่งสอนผู้ที่ไตแสวงบุญเหล่านั้นได้ด้วยการเป่งเสียงออกมาทางใบทางหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏและผู้สวงบุญเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติตามก็ได้ผล ต่างกันนะนะต้นต้นว่าบ้างก็ได้โลกิยาชานบ้างก็ณีคุณนิเศษต่างๆแต่บุคคลเหล่านี้ถ้าหากออกมาสู่ชุม ช, น, ชนให้วความนิเสษเหล่านั้นก็จะเสื่อมไปเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าหากว่าอยู่ในชุมชนในป่านิเศษเหล่านั้นก็จะแสดงได้บางขึ่นตนกว่านะผมเลยอยากจถามท่านว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีมากไหมท่านตอบว่า บุคคลเหล่านี้มีเป็นกลุ่มๆอยู่มากมายและมีอายุมากมากด้วยเพราะเขาส่งเสมิมนิดเพ่วเป็นฐานทำลายฝ่ายเราอยู่แตเจ้นพ่อปรนพันธฝ่ายเราก็ได้ตรงนิไปแก้ไขบุคคลเหล่านี้ให้เป็นฝ่ายเราเสียเกิดหมดแล้วในขณะนั้นหลังจากที่ได้มีการกลั่นแก้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้มาพบ ท่านได้ตนเองที่เขาถักน้ำแต่ถว่าได้ติดต่อกับท่านทางยานหรือทางทางสมาบัติและก็ได้บอกเล่าต่อๆกันไปแต่นีบาังกุมที่มีความเคลือบแครงสงสัยได้ส่งตัวแทนออกมาเพื่อพบท่านด้วยตนเองก็ดังกลุลนีงได้ส่งพระพิสดุออกมาแสวงหาตัวท่านอยู่สคที่ แ, แว่าองคนะ์นมีอายุร้อยเศษทัานนั้นองค์หนึ่งแปลงตัวขยุบขมามุ่งไปทางจังหวัดสุรณบุรีไชน้าสิงหบุรีกาญจ น, นบุรีพวกที่เคยพบตรงนั้นได้มาเล่าให้ท่านฟังว่าชาวบ้านฟังเรียกว่าสมงป่าขีว่วัวเพราะว่าเมื่อเข้าใกล้ท่านรู้สึกคกล้ายๆกับชลไมไวด้วยขีว่วัวแล้ว่าหาดสิงขอและเกละกะไป ถ้าหากว่าใส่ทักว่าหนูตาหาอะไรมาท่านบอกเองด้วยเถอะอะไรก็อย่างนั้นบอกว่าถ้าหากว่ามีบางคนก็บอกที่วัวนะสิท่านก็บอกเออทีวอวอ่วัวที่วัวว่าบางคนใช้ตากเป็นบางคนบอกว่าท้องนะสิบอกท่านก็บอกว่าท้องเองก็เอาไปเถอะว่าแล้วผู้ที่เอาไปก็ได้ผลท้องอย่างนี้กิติศัพท์เล่าลือกันในชนบทบางแห่งอยู่พักใหญ่แปลว่า ท่านผู้นี้ไม่ได้มาพบหลวงพ่อแต่มีอีกท่านหนึงชื่อหลวงตาพุธผู้นี้อายุร้อยเศษหนี้นกันได้เข้ามาจนกระทั่งพบหลวงพ่อและก็ได้ปรึกษากันในเรื่องต่างๆที่เป็นไปในชุมชนเหล่านั้นและคุณพิเศษต่างๆที่ชนเหล่านั้นมีอยู่เป็นต้นว่าบ้างกว่าสำเร็จประหอกบางกวาสำเร็จโลกเยี่ยชา แต่ละสิ่งแต่ละอย่างเหล่านี้ก็มีฤทธิ์พอที่จะแสดงคุณวิเศษต่างๆให้ชุมชนต่างๆเห็นได้ไม่มากก็น้อยแล้วณะหลวงผู่กุดีที่ผมเคยมีโอกาสเค้คิดและพัฒนากับท่านท่านมีคุณวิเศษหลายอย่างเต้นต้นว่าการยน่นหนนทางผมได้เรียนถามท่านว่าการยน่นหนุนทางนั้นอ่ะเขาทํากันยังไงท่านบอกว่าการยน่นหนุนทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เราไม่รู้สึกตัวแต่ว่าเราก็ทําไปตามกรรมวิธีปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือเราได้การโย น, นทางท่านก็กรอบคาถาแก่ผมมาปรากฏว่าตรงกับพระคาถาในเรื่องพระจกักรพรรดตอนไปอินพาพระจักุบาลดิโย น, นทางบทเดียวกันไม่ผิดนักละเลยเรื่องนี้ผมได้นําไปเรียนถามหลงพ่อว่าเป็นไปได้อย่างไร พ่อท่านบอกว่าความเป็นไปที่เป็นไปได้นั้นไม่ได้เป็นไปด้วยคาถานั้นอย่างเดียวละอกแต่ว่าเป็นไปด้วยฌานสมาบัติซึ่งมุตทุกมีอยู่แม้เป็นโลกเยียายนชันแต่เมื่อมีผู้ทรงฤทธิ์ให้เป็นไปได้ก็ย่อมเป็นไปได้ถ้าหาว่าผู้ทรงฤทธิ์ไม่ทรงให้ถึงคาถาทัก ว่าพัะคาถาก็ไม่สามารถจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์อันแท้จริงได้แต่ที่ผมได้สังเกต ด, ดูจากการไปมาหาสู่ในขณะนั้นปรากฏว่าท่านเป็นคนพุ่ากูศชลาภาพมากแต่ว่ามีความแข็งแรงในขณะที่เดินนุนหนอนเดินไม่คยทันอย่างเป็ น, ป น, ปนต้นแล้วผมเคยเรียนถามหลวงตาุกว่าที่เขาว่าท่านาแปลงกายได้นะ่ะ จริงหรท่านบอกว่าในอย่างนี้ท่านเองก็เคยสังเกตว่าจริงหรือไม่ตื่นกันเพราะว่าประสบการณ์ที่เห็นมานั่นปรากฏว่าเป็นความจริงสําหรับกายท่านนำมาเปลี่แปลงอะไรหรอกแปลว่าผู้ที่ได้พบเห็นนั้นน่ะเขาะ้าแปลว่าท่านปปงท่านบอกว่าวิชานี้เขาเรียกว่าวิชานายแปล ง, ลงเพราะว่าเมื่อ ว่าพระกะถาตัวแล้วคนอื่นแล้วต้องการให้เขาเห็นเป็นอะไรเขาก็เห็นเป็นอย่างเห็นว่าเรานุ่มเขาก็เห็นว่าเรานุ่มเห็นว่าเราเป็นเจ็กเป็นจีนต่งกายอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เห็นไปอย่างนั้นท่านเราอ่ะครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านนั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่ในการทันนียีที่วัดลาชกขาวสมภานได้ขึ้นไปหาท่านท่านก็ใช้วิชานเียทดลอง ปรากฏว่าผุ้พานที่นั่นเห็นว่าท่านเป็นเอคเป็นซีนนั่งอยู่ในคันตะกุีนั่นปตกมถามไปว่าป้าเอ้อเห็นหลงะตะกุ๊กไหมท่านก็ตอบไปบอกว่าไม่เห็นหุวงพานก็ลงไปโดยทั้งๆ ท, ท, ที่ท่านก่นนั่งอยู่ขณะนั้นละโต้ตอบโดยตนเองแปลว่าปรากฏว่าตู้ที่พบเห็นนั้นเห็นท่านไปอีกลักษณะในอย่างนี้เป็นต้นและคุณนักบุญ แล้วลักษณะพิเศษของบลวงปนั้นยังมีอีกอย่างนี้คือท่านสามารถได้เงินทองมาโดยทางใดไม่มีปู่ปผมได้เรียนถามท่านท่านบอกว่าท่านมีเจ้าน้ําเงินซึ่งขุดมาจากในป่าทางจังหวัดกาญจน บ, บุรีอันนี้เป็นโลหะซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษสามารถะเออเงินทองมาได้ รอบเอลท่านมีธนบัตรของทางรัฐบาลพิมพ์ใหม่ๆไว้แจกผู้อยากจนแลนทำบุญอยู่เสมอท่านบอกว่าการขุดเ้านงเงินนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากมากต้องมีพิธีกรรมต่างๆซึ่งาหารก็พลาดผู้ที่ขุดก็ะต๊ะเสียชีวิตแต่ท่านก็ทำสำเร็จมาได้และท่านเคยนำโลหิตนี้ไปให้ท้าคทองในจังหวัดพรนครทดตอบดู ั้งทองบอกว่าเป็นแพตินัมหรือทองคำขาวจะขอซื้อจากท่านแต่ท่านมีเพียงทิ้นเดียวและเป็นของสรวนที่สุดจึงไม่ได้ค่อยมีโอกาสให้ใครเห็นนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกประหลาดแปลว่ามันเป็นไปโดยการให้ริษของฝ่ายต้นต้นทางใดทางหนึ่งนอกจากนั้นท่านยังมีตลอดสำเร็จ น้ำประหลอดสมเด็จนี้มีคุณพิเศษหลายประการเป็นต้นว่าน้ำพึ่งถ้าหากว่าได้น้าําตลอดสมเด็จนี้ตุ่มลงไปแล้วน้ำพึ่งนั้นจะเดือดและจะกลี่ยนสภาพจากเดิมถ้าหากว่าสามารถตุ่มแค่ในน้ําพึ่งนั้นเป็นเวลานานพอสมควรน้ำพึ่งนั้นจะใสเป็นน้ําค้างเมื่อ น, นั้นแหละกู้ใดได้ดื่มกินน้ําพึ่งนั้นแล้ว จะเป็นเสมือนอยาซึ่งรักษาภาวะพัาโลกได้และมีอายุยั่งยืนนานด้วยเห<ม>ล่านี้เป็นต้นนี่เป็นคุณลักษณะของพวกผู้วิเศษซึ่งเกิดในป่าและที่มาของท่านเหล่านั้น